ความยินดียินร้ายท่านให้กําหนดดูโลวาจิตของเรายิงดีรู้ว่าจิตของเรายินร้ายูว้วาจิตของเราเป็นกลางวางเฉยท่านให้กําหนดดูกันเพียงแค่นี้แต่อย่าไปตั้งใจที่จะละกิเลสกิเลสนั้นมันละไม่ได้ ถ้าตราดใดติดของเราไม่มีศีลไม่มีสัตว์ไม่มีสุตตะไม่มีปัญญาไม่มีจาระับไม่มีไม่มีมิมุติคือความหลุดพ้นแม้ว่าเราจะตั้งใจพยายามที่จะละกิเลสอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถที่จะละได้ผู้ที่จะละกิเลสได้ต้องทําจิตให้เป็นศีลคือตัวปกตินอกจากจะมีศีลแล้วต้องมีสัจจะ อกจจะมีสัจจะแล้วต้องมีสุตะคอยสัจจตรับฟังสิ่งที่เกิดจากปัจจิตด้วยความมีสติสัมปัจจันยะโดยธรรมชาติของจิตในเมื่อมีสิ่งรู้ปรากฏการอยู่เรามีสติดูอยู่ปัญญาย่อมบางเกิดขึ้นเมื่อปัญญาบางเกิดขึ้นแล้ววิชาเขาย่อมบงังเกิดขึ้นมาเป็นเงาตามตัว เมื่อเป็นแท่นั้นจิตของเราก็กลายเป็นผู้สามารถสลักกืนซึ่งกิเลสทั้งปวงได้แล้วก็หลุดพ้นสู่บิมุตในวิธีทางของการดูจิตถ้าจะว่าโดยสรุปย่อยๆแล้วมีเพียงแค่นี้แต่การที่เราจะปฏิบัติได้ถึงขนาดนี้เราก็ต้องใช้ความภาพเพียรพยายาม ความผ่าพเพียนพยายามที่เราจะพึงทํานั่นหนึ่งต้องมีศีลแล้วก็มีสัจจะตั้งใจจะมีเจตนางดเว้นตามศีลนั้นนัน้ที่เราได้ปฏิาได้สมัมภานมาแล้วด้วยความจริงใจเมื่อเรามีศีลเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราละกิเลสโดยเจตนาแต่ความจริงสิ่งที่เราจะระเมิด เศนข้อนั้นๆนไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกปานาเิบาผ้าสัตว์สัตว์ก็เป็นวัตถุหรือเป็นส่วนประกอบที่ให้เราได้ละเมิดสิทธิ์อาชนาการก็คือวัตถุที่เป็นเหตุให้เราได้ละเมิดสิทธ์ตาเมตมิทธาจารก็เป็นวัตถุเป็นเหตุให้เราได้ละเมิดสีทโมชาว่าก็เป็นคำพูดซึ่งสเจตา เป็นเหตุให้เราได้ระเบิดสติโซรากาเดิมน้ำเมาคือน้ำรองของเมาก็เป็นวัตถุที่เป็นเหตุให้เราได้ระเบิดสติเมื่อเรามีเจตลาอันแน่วแน่แล้วมีสติสัมปชัญญะคอยควบคุมเจตลาของเราให้อยู่ในความเป็นปกุกติแม้จะเป็นการฝืนใจก็ตามแต่เราตั้งใจแน่วแน่ ว, น ว, ว่าจะละเว้นโทษนนันั้น ด้วยความจริงใจเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีสัจจะคือความจริงใจในการที่จะละโทษคือสิ่งที่เราจะพึงทําด้วยอํานาจของกิเลสฆ้ากันได้เพราะโทสะขโมยของกันได้เพราะโลภทําการเมศถิขาจารได้เพราะความโลภที่ไม่รู้จักเพียงพอง โมสาคือโกโหกกันได้ก็มีเจตนาเหลวไหลสุราเดิมขอน้ำดองของเมาได้ก็หลงไหลในรถและถือว่าเป็นของดีพิเศษเมื่อเรามีเจตนาแ น, แน่วแน่ว่าจะตัดวัตถุอันเป็นเหตุให้เกิดโทษภาพประกันในตอนแรกเราตั้งใจ เป็นการฝึกใจให้มีความกล้ามกลัวให้มีความชานาญให้มีเจตนาอันเป็นอัตโนมัติเมื่อเจตนาของเราเป็นอัตโนมัติเราแตา่สร้างใจก็าตามไม่ได้ตั้งใจก็ตามศีลของเราก็มีอยู่เป็นปกติในขั้นต้นจะกลายเป็นศีลปกติกายปกติวาจาเพราะศีลยังไม่เข้าถึงใจ เพราะอาศัยความปกติกายปกติวาจานี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้เกิดศีลคือตัวปกติภายในจิตในใจของเราในมาใจของเราเป็นปกติแม้จ เ, เจตนาน้อยหนึ่งที่จะทำความทั่วก็ไม่มีจิตมีพลังงานสามารถที่จะปฏิวัติตัวมุ่งไปสู่คุณงามความดีอันไม่ผิดศีลผิดธรรม ตึ้งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเราก็เกิดมีศีลขึ้นในจิตในใจของเราเมื่อศีลอยู่ในใจของเราโดยเครืองมูลมีความเป็นปกติมีพลังเข้มข้นความคิดที่จะทำบาปทำกรรมอันเป็นเหตุระเบิดศีลนั้นๆย่อมไม่มีเมื่อเราไม่มีเจตนาจะทำบาปทำกรรมทั่วอันเป็นเหตุระเบิดศีล ความเหินห่างจากความทั่วที่เราเคยทำไว้ในอดีตมันก็ค่อยเลื่อนเวลานานไปไกลไปหางไปห่างไปจนรู้สึกว่าลืมความทั่วที่เราเคยทำไวแล้วลเพราะจิตของเราโดดเืมในความดีรู้แล้วว่าความดีสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งที่เป็นคุณนักธรรมอานวยประโยชน์ให้เรามีความสุขใจ มีความภาคภูมิใจทําให้เรามีปีติในความสุขใจในเมื่อจิตใจของเรามีปีติมีความสุขมีความหลุดเดมในคุณนรริรัศนจตของเรามองเห็นคุณเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าของคุ ณ, ณธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตจากมั่นคกมีหรือที่จิตจะต้องย้อนไปพุกเข้ากับความชั่วร้ายที่เคยผ่านมาแล้ว เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้อันนี้คือความเป็นไปของจิตผู้ภาวนาจะต้องเป็นเช่นนั้นทีนี้เรามาพูดถึงอุบายวิธีการภาวนามาพูดถึงวิธีการอุบายการภาวนานอกจากจะทําให้จิตของเราสง บ, บเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขเกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมแล้ว ยังเป็นอุบายวิธีที่จะสร้างความเป็นพุทธะให้บังเกิดขึ้นในจิตท่านเคยสังเกตไหมว่าพุทธะเคยเกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดดําเนินการภาวนาด้วยวิธีสมถภาวนาก็ตามโดวยวิธีวิปัสสนาก็ตามเมื่อจิตของท่านได้วิตกวิจารณ์ ในการบริกรรมภาวนาคือจิตบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจและก็มีสติรู้เองโดยไม่ได้ตั้งใจเหมือ่กนเมื่อท่านพิจารณาอะไรอยู่จิตของท่านพิจารณาสิ่งนั้นนเองโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจแต่สติผู้ควบคุมก็ทาหน้าที่เองโดยไม่ได้ตั้งใจในเมื่อปรากฏการเช่นนี้เกิดขึ้นภายในจิตของท่าน เงาแหงโพธะได้ปรากฏขึ้นมาบ้างแล้วเพราะท่านมีสตินูดตัวตื่นอยู่เป็นเบื้องต้นเมื่อท่านภาคเพียนพยายามทำไปก็ปร้อมให้มากมากแต่ทำให้มากมากทำให้กล้องตัวทำจนํำนิชํำลานจนจิตของท่านกลายเป็นอัตโนมัติในการปฏิบัติธรรมเจิดย่อมเก้าเข้าไปสู่ความสุก เมื่อสงบแล้วก็เกิดมีปิติเกิดมีความสุขเกิดมีความเป็นหนึ่งคือเอกัคตาเมื่อจิตของท่านมีวิสุปวิจารณ์ปติสุปเอกัคตาอยู่จิตสงบอยู่สว่างสวัยอยู่รู้อยู่ตือนอยู่เห็นอยู่จิตของท่านก็เกิดมีพุทธะดังเกิดขึ้นแล้ว เพราะในขณะนั้นลักษณะรู้ในจิตของท่านปรากฏขึ้นเพื่อรู้อารมณ์ด้วยความมีสติสัมปชัญญะอันเป็นอัตโนมัติและจิตของท่านสงบจูในลักษณะของสมาธิในฌานท่านที่หนึ่งมีความแจ่มใสเบิกบานมีความสว่างสวยัย ในขั้นต้นท่านจะรู้สึกมีความสว่างปรากฏออกทางตาเพราะในขณะนั้นจิตยังสงบยังไม่ไดยย้จิตแต่แสงจิตยังส่งออกไปนอกแต่ก็ยังดีที่มีพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นในจิตเมื่อจิตของท่านย้อนมองเข้ามาในภายในจิตจะมารล้อยู่ที่จิตสว่างสวัยอยู่ที่จิต ในบางครั้งจะรู้สึกว่าความสว่างนั้นแผ่รัศมีคลุมตัวจิตของท่านเริ่มเปิดตัวรู้ภายในจิตสัญญาที่แห้งออกไปทางตาเริ่มหายไปมีแต่ตัวรู้ปรากฏอยู่ในจิตอย่างเดียวในตอนนี้จิตของท่านเป็นผู้ภาผู้รู้ผู้เบิกบานแจมใส ย, ยิ่งขึ้น เจตของท่านเพิ่มพลังมากขึ้นขณะด้านกายของท่านยังจะปลากปอยู่การหายใจของท่านจะหา่างซึ่งเมื่อก่อนท่านอาจจะหายใจนาทีละสิบแปดครั้งเมื่อเจตของท่านอยู่ในลักษณะสมาธิขั้นทานอินเดชท่นทานจะหายใจนาทีละแปดครั้งตัอ สี่กลังบับทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นเพราะลมมันละเอียดจิต ก, ก็ละเอียดเพราะอาศัยผ้าที่เจตมีตัวรู้ทั่วทั้งกายบางทีอาจจะมองเห็นกายของตัวเองมีลักษณะเหมือนแก้วโปรง่งตัวรู้ที่สว่างสวัยอยู่จะปรากฏอยู่ตรงกลางของกาย แล้วก็แผ่รัทมีทลุกายออกปากทำให้รู้สึกเสมือนหนึ่งว่ากายของเรามีความสว่างครอบอยู่เมื่อเจ็ดของท่านรู้อยู่โดยไม่มีความนึกคิดใดๆเกิดขึ้นอกท้องท่านละวิตกละวิจารนี่แต่ตัวรู้ปรากฏอยู่เฉะ แม้ว่าจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในตายแต่ก็เพียงแต่รู้พัทวทั้งกายอยู่ความรู้สึกนึกคิดว่าอะไรเป็นอะไรในขณะนั้นไม่มีสมมติว่าเจตของท่านมองเห็นโครงกระดูกเจตก็จะรู้อยู่เฉยๆแล้วเขาจะไม่มีความคิดว่านี่โครงกระดูกเห็นอะไรเ้าก็มีแต่เฉยอยู่ ไม่มีความคิดที่จะเกิดขึ้นว่านี่คืออะไรในตอนนี้จิตของท่านกําลังเริ่มเป็นกลางโดยเที่ยงธรรความรู้สึกยินดีและยินร้ายหายจางไปยังเหลือน้อยเต็มทีแต่จิตยังมีปีติและมีความสุขปลากรวตอยู่แต่เป็นสุขอย่างละเอียดปีติอย่างละเอียดถ้าเยงนจิตของท่านละเอียดจิ้งลงไปเท่าไหร่ ลมหายใจก็จะหายขาดไปเมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้วตัวของท่านก็หายหมดมีแต่จจตดวงเดียวลอยเด่นอยู่ไม่มีร่างกายไม่มีอวัยวะมีแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นสง บ, บนิ่งสว่างสวัยอยู่ที่ไหนไม่รู้เพราะในขณะนั้นจิตไม่มีอะไรที่จะกําหนด เป็นแต่เพียงจิตโนยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ทราบว่าอยู่สูงหรืออยู่ต่ำไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนก็ในขณะนั้นจิตของท่านปลอยวางกายปลอยวางอารมณ์ลอยวางทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่เท่านั้น ถ้าหากว่าจิตของท่านดำเนินอยู่ในขั้นสมถะเจตก็ย่อมสงบนิ่งสว่างสวยัยไม่มีปฏิกิริยาอาการที่จะรู้อะไรแม้ว่าบางครั้งจิตของท่านอาจจะปรากฏมองเห็นร่างกายของตัวเองนอนตาย เ, ย จ, เาจียดเาวอยู่ิตก็จะไม่บอกว่าเราตายแล้ว เขาจะรู้อยู่เฉยๆผ้าลงผ้าห่มที่ปิดพันร่างกายหายไปหมดเขาก็อยู่เฉยๆเขาจะไม่รู้สึกอายทำไมอะก็เพราะในขณะนั้นเขาไม่ได้อยู่กับกายแล้วนี่เขาแยกตัวออกจากกายไปเป็นตัวของเขาเองในเมื่อเขามีตัวของเขาเองเียงตัวคนเดียว เขาไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้เขจะไปรู้จักตายทําไมยิ่งกว่านั้นเมื่อร่างกายเปลือยเปล่าไม่มีสิ่งปกปิดเสื้อผ้านุ่งห่มก็ไม่มีและเจ็บก็จะโล้เหย อ, อยู่ไม่มีปฏิกิริยาอาการใดๆร่างกายที่เปลือยเปล่าเกิดเคลื่อนอื้อ แสดงอาการจะเน่าจิตเขาก็ดูดเฉยๆอยู่เขาไม่ว่าอะไรไม่นึกไม่คิดเป็นแต่เพียงรู้อยู่เฉยๆเมื่อเก้นเอิดแล้วน้ำเหลืองไหลทุกสิ่งทุกอย่างค่อยสลายตัวไปเนื้อหนังพังลงไปน้ำเหลืองไหลเยอิอมในที่สุดเหลือแต่โครงกระดูก เขาก็จะรู้เฉยอยู่เพียงอย่างเดียวเมื่อเขารู้เฉยอยู่เพียงอย่างเดียวแม้แต่โครงกระดูกก็สึกกร่อนรลอะหักพังไปแหลกละเอียดละลายไปหายสาบสูญไปในพื้นแผ่นดินไม่มีอะไรเหลือในที่สดผื้นแผ่นดินก็หายไปหมดเจตเข้าไปสู่ความสงบนิ่งว่างสว่างสบายเข้าไปสู่สมถะอีก เพื่ อ, อยย่ในฐานอีกนี่คือปรากฏการ์ึ่งนักปฏิบัติทั้งหลายจะต้องผ่านแต่ไม่เสมอไปลไม่เป็นไปเหมือนกันหมดทุกท่านทุกคนแล้วแต่พลังของอุปนิสัยของใครที่จะเป็นไปได้ตามบุญวัสนาบารมีเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างหายสาดสูญไป แผนดินก็หายไปเจตนิ่งบ้านสว่ า, สวางสวัยอยู่ในตอนนี้เราจะไม่รู้สึกว่ามีความสุขเราจะไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์เราจะรู้สึกเพียงว่ากลางๆแต่คำว่ากลางๆจิตก็ไม่คิดอีกแหละพวกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เฉยอยู่อยู่ในถ้ำกลางอารมณ์ไม่มี ความนึกคิดไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าเมื่อจิตว่างเปล่าอยู่ในทั่วขนาดหนึ่งถ้าไอ้เจ้าจิ ต, ตัวงนี้ไม่หลงไหลดอดไปเล่นฌานตามฤกษ์สีเข้าจิตก็จะย้อนมารู้เห็นผืนแผ่นดินกระดูกที่แหลกละเอียดที่หายไปในผืนแผ่นดินก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นกบแล้วเกาะกันเป็นก้อน ประสานกันเป็นแท่งโดยสมบูรณ์แล้วก็มาประสานกันเป็นโครงสร้างเป็นโครงล่างเป็นโครงกระดูเกเห็นได้ทั้แล้วเนื้อจะค่อยงอขึ้นระหว่างข้อต่อขกระดูกแต่ละท่อนละท่อนแล้วก็ลามไปจนกระทั่งเกิดมีเนื้อเต็มบริบูรณ์เต็มที่นักปฏิบัติจิตของนักปฏิบัติจะมองเห็นความเป็นนั้น เหมือนเหมือนกันกันกบลอกหนังสัตว์ออกแล้วยังเหลือเตยแต่เนื้อบองให้อมองปรากรดจุเมื่อเนื้อเต็มสมบูรณ์แล้วเนื้อจะค่อยแห้งเปลี่ยมไปเกิดเป็นผิวหนังขึ้นมาโดยสมบูรณ์พร้อมปนเล็บปานหนังก็ปลากรดอึนกลับมาเป็นล่างโดยสมบูรณ์อีกอย่างเดิมทีนี้ เมื่อนับภาวนาผ่านความเป็นอย่างนี้ไปแล้วเิตถอนออกจากสมาธิพอมาสัมผัสรู้ว่ามีกายเท่านั้นจิตของเราจะอธิบายความเป็นอันนี้ให้เรารู้เขาจะรู้ว่านี้คือการตายตายแล้วมันเน่าขึ้นอื่นนี่คืออสุภะกรรมฐาน เ่อมันสลายตัวหายสาายตนไปหมดแล้วอก็นี่คือธาตุกรรมฐานในเมื่เจตมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่เพียงธาตุสี่ทีน้ําลงไปโลจ้ยเห็นธัดุหายสงสัยเข้าก็รู้ธาตุกรรมฐานในเมื่อโลธาตุกรรมฐานแล้ว เจตจาคนป้าหาอัตตาตัวตนไม่มีมองไปไหนก็เห็นแต่ดิกมองไปไหนก็เห็นแต่น้ามองไปไหนก็เห็นแต่ลมมองไปไหนก็เห็นแต่ไฟสัตว์ปุกลตัวตนเราเขาอยู่ที่ไหนเล่าตอนค้นสุดท้ายเราก็ค้นหาคนหาสัตว์ไม่มีแต่ถ้าที่จริงตายของเหล่านี้ที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตน ข้อแท้ จ, จริงของเขาก็คือการประจุมของธาตุสี่ที่น้ำลงไปอาศัยเจ้าปฏิสนธิปิญญาณตัวนี้เข้ามาสิงสถิตยอยู่มีข้าวน้ำข้อนหมัม่มีทาเป็นผู้ประถมทุกเลี้ยงให้มีความเจริญเติบโ ต, ตเป็นตัวเป็นตนตขึ้นมาในเมื่อเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็เกิดอาหารการมังการ ถือเราถือเขาถือร่างกายทั้งสิ้นเป็นตัวของตัวแล้วก็เกิดความหวงอา เ, เกิดความหวงแหนนอกใจเกิดความหวงหแหนเราอยังเกิดความหึงหวงเป็นอาการของกิเลสเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยอุปปาทานเป็นเครื่องยึดมัน่นถือมัน่นเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะยอมรับได้ไหมว่า เจตของท่านได้เดินวิปัสสนากรรมฐ า, านโดยถูกต้องแล้วอย่างน้อยก็รู้ว่าร่างกายนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงว่ายังมีชีวิตอยู่มีกายมีใจประกอบพร้อมกันมันก็ยังเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์อยู่แต่ถ้า้เจ้าจิตวิญญาณดวงนี้ย้ายที่อยู่คือออกจากร่างกายไปเสีย ร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามรูปการของมันมเมื่อจิตสปายแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดไอ้เจ้ากายก็เป็นธาตุศกไอ้เจ้าเิีวิเญาณตัวนี้ถ้ามีนุญมีกุศลก็ไปเกิดเป็นเทวดาเอ็นตพแต่ถ้าว่ามีบาปมีกรรมก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นสัตว์เตริดฐานซึ่งแล้วแต่ผลกรรมจะหนุเนเรื่องให้เป็นไป ทั้งนี้เราจะโลภอดของความจริงโดยธรรมชาติจิตอย่างหนึ่งขึ้นมาโลภะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามกฎของกรรมกรรมเท่านั้นเป็นผู้พาเรามาเกิดกรรมเท่านั้นเป็นผู้พาเรามาตายกรรมเท่านั้นเป็นผู้พาเรามาสุขมาทุกข์มาเวียนว่ายตายเกิดจยูนในวัะสงสารจิปาถาโอเวนนาสลดสังเวชจิต ในแต่เราพิจารณาให้มันถึงขั้นมันแล้วเราสามารถที่จะผ่านทั้งคูมสมถะทั้งคูมวิปัสนาท่านสงสัยหรือเปล่าว่าสมถะคืออะไรวิปัสนาคืออะไรสมรถะก็คือความสงบจิตวิปัสนาก็คือความรู้จริงรู้แล้วหายสงสัย อย่างเมื่อก่อนนี้ท่านอาจจะสงสัยว่าสมาธิคืออะไรห่อเมื่อท่านสามารถทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิได้ท่านก็รู้ทันทีว่านี่คือสมาธิคำว่ารู้ว่านี่คือสมาธินั่นแหละคือวิปัสสนาความเห็นแก่เพราะรู้จริอย่าไปเข้าใจว่า วิปัสนาคือการทําจิตให้สง บ, บเกิดสว่างสวัยถ้าไปสําคัญเอาความสว่างของจิตเป็นวิปัสนาวิปัสณูปกิเลสจะกินใจท่านเพราะมันมีความเห็นผิดทำ ว, ว่ารู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้หมายความว่ารู้แจ้งสว่างเหมือนดวงเดือนดวงตะวัน ความรู้แจ้งเห็นจริงหมายความว่ารู้แล้วหายสงสัยในสิ่งที่รู้เห็นรู้ว่านี่คือสมาธิความงสงบตั้งมั่นของจิตเป็นสมาธิเมื่อเราสามารถรู้ว่านี่คือสมาธินั่นเป็นวิปัสสนารับภาวนาทั้งหลายอย่าไปมุ่งที่จะให้ได้ทานได้ยาง ถ้าเราไปม่งที่อยากจะได้โนโนได้นี่เราจะไม่ได้ถ้าท่านจะภาวนาพุโทโธก็ท่องพุโทโธท่องเล่นๆ เ, เหมือนกับเราไม่ต้องการผลตอบแทนแต่ว่าเราท่องไม่หยุดถ้าเราจะค้นคิดพิจารณาอะไรก็คิดมันไม่หยุดอย่าไปข่มจิตหรืออย่าไปบงังคับจิตให้มันเกิดความสงบสมาธิเป็นผลงานซึ่งเกิดจากการปฏิบัติ ขนงานท่านบีบบังคับเอาไม่ได้นักปฏิบัติที่ประพฤติตนเหมือนคนชิงสุขก่อนครับภาวนาแล้วไปบังคับจิตให้เกิดความหยุดนิ่งด้วยความตั้งใจนึกข่มเอาในเมื่อเกิดขัดความจิตบ่อยๆเขา้ามันเกิดความทำนานในการปกในการสกัดความคิดพอนึกจะให้จิตมันนิ่งเมื่อไหรเลิกลอไปมันก็นี้ แต่มันนิ่งแล้วมันไม่มีปัญญามันไปนิ่งอยู่เฉยๆอันนี้ท่านเรียวกว่าสมถะที่ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุที่เราไปบังคับจิตให้มันสงบทางที่ดีที่ถูกที่ควรเมื่อท่านบริกรรมภาวนาก็ดีท่านพิจารณาอะไรก็ดีอย่าไปก อ, อย่าไปบังคับอย่าไปบีบให้จิตมันนิ่งสงบ เมื่อท่านฝึกอาจเบียจิตหรือบังคับจิตให้มันนิ่งสงบจนคล่องตัวแล้วนักดาบเข้าจิตของท่านทำนานต่อการสงบนิ่งโดยควาโดยการบังคับมันจะกลายเป็นจิตอดหูไม่เอาไหนเมื่อท่านจะกระตุ้นให้มันค้นคิดพิจารณามันจะไม่ไปเมื่อตั้งใจคิดไปสักหน่อยหนึ่งเล้วเถอมันก็หยุดนี่ นิ่งอย่างไม่มีน้ำไม่มีนวนเน่งซืดสซื่อเ่ ง, งยางไม่มีความหมายเป็นโมหะสมาธิไม่เป็นแนวพรางให้เกิดสติปัญญาเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านควรจะปล่อยภาวนาอยก็ได้แต่เพียงบริกรรมภาวนาอย่างเดียวตั้งใจภาวนาไปท่านจะก้นคิดพิจารณาอะไรก็ตั้งใจคิดพิจารณาอย่างเดียว จิตจะสงบหรือไม่สงบไม่ใช่หน้าที่ของท่านจะไปคิดหน้าที่ของท่านเพียงแต่บริกรรมไม่หยุดพิจารณาไม่หยุดภาวิทาอบรมให้มันมากๆากอโหเีกขาทำให้มากๆทํทำให้คร่องตัวทำให้ชำนิชำ น, นันจนจิตของเราเป็นอัตโนมัติในการบริกรรมภาวนาและพิจรารณา สามารถที่จะปฏิวัติตนเองไปสู่ภูมิแห่งความสงบได้เองโดยอัตโนมัติความสงบมันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นเองปิติจะเกิดก็เกิดเองสุขจะเกิดก็เกิดเองอุปจาระสมาธิอปนาสมาธิจะเกิดก็เกิดเองเกิดเพราะเหตุแห่งบริกรรมภาวนาเกิดเพราะเหตุแห่งการใช้สติปัญญาพิจารณา เพราะฉะนั้นผู้ที่มุ่งความเจริญในการปฏิบัติจะไปบีบฝังทัดผิทนแต่เพียงว่าหาฐานที่ตั้งให้แก่จิตบริกรรมภาวนาเป็นฐานที่ตั้งของจิตการพิจารณาอะไรก็ตามเป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นการปรกผัดสติให้ให้มีความมั่นคงจนสามารถจิตุ่งไปสู่จดใต่สามารถที่จะเทโลกจุดั้นได้ เมื่อเป็นเช่นั้นเจตพวงเราก็เกิดความสงบมีสมาธิมีปิติมีความวสุขสีลัพปิภาวิตโตสมาธิมหัปโลโหติมหานิ ah ani, สังโสสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพลาโหติมหานิ ah ani, สังสาปัญญาปริภาวิตังจิตังสัมมเาเววตวะอาสวีหิวิพุตติเส่ยที่ดักามะตา ตาเมาตันห์ภาวะวตัณห า, าวิภาะวะตัณหาอ่ะอาจารยวิชาภวะพบและอะไรอีกละ่ะคิดเอาเองก่แล้วกันศีลออบรมสมาธิสมาธิาธอบรมปัญญาปัญญาอบรมติดเราจ ะ, ะนั้นใครจะไปปฏิเสธว่าเมาจิตเป็นสมาธิแล้วปัญญามันจะไม่เกิด